องเข้าเนติปรกรณ์ต่อเลยเนาะของเราทั้งหลายถ้าถ้าจะกล่าวในด้านมีบุญก็นับว่ามีบุญมากคำว่ามีบุญเนี่ยหมายความว่า ว, าวิบากดีเนี่ยได้รับมากแต่ว่าในแง่บุญเก่าเนี่ยค่อนข้างมากแต่บุญใหม่ก็ตามสมควรกับฐานะนะการศึกษาพระธรรมเนี่ยโดยเฉพาะ การศึกษาของยุคก่อนๆนหน้าเราเนี่ยเป็นยุคที่ไม่มีหนังสือประกอบแบบนี้เลยแล้วก็ประชาชนส่วนหนึ่งไม่รู้หนังสือนะนะทั้นกลุ่มคนที่รู้หนังสือก็คือเป็นคนชั้นสูงคําว่าชั้นสูงหมายความว่ามีการศึกษาชั้นสูงอะมีทุนมีร้อนไม่ลําบากในการครองชีพมากนักจึงจะพอที่จะมีเวลาศึกษาได้ซึ่งสมัยนั้น อุปสรรคเขาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันทีนี้สมัยนี้ละ่ะสมัยนี้ก็เป็นการรวบรวมผลงานของคนสมัยเก่าๆเอามาไว้เป็นหมวดเป็นหมูเนี่ยนะการจัดระบบการศึกษาก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นอันของเราทั้งหลายก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากการศึกษาเนติปรกรณ์เนี่ยนะเป็นคัมภีร์ที่ที่จัดเอาไว้เพื่อที่จะ ตีกรอบตีตารางใ ห, ให้คนยุคนั้นเอาไว้คิดเพราะว่าถ้าไม่มีกรอบตารางเหล่านี้นะทุกคนก็จะคิดพระธรรมตามความเข้าใจของตัวเองทุกคนก็อยากจะคิดอะไรก็คิดไปเนี่ยนะเพราะไม่มีพยัญชนะแบบสมัยนี้ใช่ไหมสมัยนี้ปั๊บเนี่ยถ้าใครอ้างพู้พจพ์ขึ้นมาไหนคุณเอามาจากเล่มไหนข้อไหนเนี่ยนะก็ก็อง่ายเอามาจากนิกายไหนเอามาจากเล่มไหนข้อไหนเพียงแต่ว่าเราเป็นนักค้นซะหน่อยนก็ใช้ได้แล้ว หาข้อยุติไม่ค่อยยากพระธรรมที่ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนเราจะรู้เราจะเข้าใจพระธรรมหมวดนี้ได้อย่างไรเนีย่ยนี่พูดถึงสมัยนี้นะนับว่าง่ายถ้ายิ่งมีคอมพิวเตอร์ด้วยกดไม่กี่นาทีเนี่ยนะได้มาหมดเลยได้อย่างที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเขาสงสัยติดใจอะไรเขาจะเที่ยวไปแต่ถามท่านผู้รู้ ที่นี้แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยผู้รู้มากนะทำไงเนี่ยนะทุกคนก็ก็ตั้งตัวว่าเป็นผู้รู้ยกตัวอย่างเช่นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีเจ็ดองอะไรพระพุทธเจ้าแท้แท้มีองค์เดียวที่เหลือพระพุทธเจ้าในความคิดของเขาอะ่ะครูทั้ง6เนี่ยสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าเป็นสัพพันยูกันทั้งนั้ น, นปฏิญาณในฐานะเป็นสัพพันยู ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนิครนนาตบุตรเนี่ยเขาถือว่ายาณัทธสนะของเขาเกิดตลอดเวลารู้หมดแม้กระทั่งหลับก็ยังรู้อีกนะเก่งมากขนาดนั้นนะหลับก็ยังรู้เลยนะพรานสมัยนั้นก็มีพระพุทธเจ้าปลอมหกองค์พระพุทธเจ้าแท้อยู่รูปเดียวพรานผู้ที่ศึกษาพระธรรมในสมัยพุทธกาลนี่ก็ต้องนับว่ามีบุญมากนะที่ไม่หันไปเข้าสานัก ครูทั้งหกได้เนี่ยก็มีบุญมากที่ที่เลือกมานับถือพระพุทธเจ้าแต่ถึงขนาดนั้นก็กลุ่มที่ไปนับถื อ, อครูทั้งหกเนี่ยไม่ใช่น้อยทุกวันนั้นก็ยังได้รับการยกย่องชมเชยเหมือนเดิมสายลัทธินิครนนาตบุตรก็ยังดังมาถึงทุกวันพระพุทธศาสนาแทบจะสูญจากอินเดียแล้วลัทธิครูทั้งหกยังเก่งอยู่ทุกวันอ น, นี คือที่สาวัตถีก็มีที่สาวัตถีเนี่ยไอสํานักสํานักแก้ผ้านะยกสํานักนิโครนาตบุตรกลุ่มศาสนาเชนชินะเนี่ยก็ยังมีอยู่ถึงทุกวันพระที่ข้าไปข้างที่แล้วก็ยังแวะไปชมวัดเข้าเลยที่พารณสีก็ข้างๆข้างๆทําเมฆคสถูปเลยก็ก็มีวิหารที่อื่นๆก็เหมือนกันแล้วก็เป็นรัฐที่ที่เรียกว่า นายกอินเดียทุกวันเคารพเ น, นะเพราะฉะนั้นประชาชนจะนับถือขนัดไหนเนี่ยนะแต่ว่าของพุทธศาสนาหมดละทีนี้ในรับที่เหล่านั้นเนี่ยนะกว่าจะหันเข้ามานับถือพระศาสนาได้ก็เป็นเรื่องที่ยากทีนี้ถ้านับถือพระพุทธศาสนาแล้วละ่ะเราเอาอะไรเป็นกฎเกณฑ์เอาอะไรเป็นข้อยุติ เพราะว่ามันก็เหมือนกับสมัยพุทธกาลที่เราว่าเข้าไปหาอาจารย์นี้ทีเข้าไปหาอาจารย์นั้นทีเข้าไปหาถ้ายิ่งหนังสือด้วยนะวางตลาดที่เป็นธรรมะนี่เต็มไปหมดเลยเราเอาอะไรเป็นข้อยุติเอาอะไรเป็นเป็นข้อยุติว่าเออนี่นะความสมควรอยู่ตรงนี้เนี่ยนะพันธะไม่เรียนเนติ ป, ปกรณ์เลยนับว่ายากมากๆยากมากจริงๆเว้นไว้แต่คนนั้นมีบุญจริงๆ จับประเด็นเก่งมากๆเลยนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหมดสิทธิ์ที่ที่กล่าวอย่างนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยนะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองผิดอันนี้นี่คือความจริงชั้นพื้นฐานทุกคนจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นผู้ผิดทุกคนไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นผู้แพ้เหมือนกับกีฬาเนี่ยที่แข่งกันนะทั้งคู่เนี่ยลงสนามเนี่ยคิดไหมว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายฝ่ายแพ้ยังไงชั้นแพ้แน่นอนเนี่ยนะ ไม่มีใครคิดลองคิดว่าจะต้องชนะให้ได้การศึกษาพระธรรมคําสอนก็เหมือนกันทุกคนก็คิดว่าตัวเองในี่ใกล้นิพพานจะไม่คิดว่าตัวเองห่างพระนิพพานไม่คิดว่าตัวเองปฏิบัติผิดทุกคนก็จะคิดว่าตัวเองนั้นปฏิบัติถูกอย่างของเรานั่งฟังธรรมเรามีคิดไหมว่าเราผิดเราก็ไม่คิดว่าเราผิดแต่ทีนี้ไอ้ความถูกความผิดนี่เอาอะไรเป็นข้อยุติเนี่ยเนสิ่งที่สําคัญที่สุดเอาอะไรเป็นข้อยุติเพราะฉะนั้น เนติประกรณ์เนี่ยนะเป็นคำภีที่หาข้อบอกข้อยุติเอาไว้เลยเพราะว่าปัญหาเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นยิ่งยิ่งสมัยก่อนหน้านี้สมัยที่ไม่มีหนังสือด้วยยิ่งจำเป็นมากนะท่านจึงเลยบอกหลักการว่าถ้าพระพุทธเจ้าเทศนะองเทศหกอย่างคือแสดงอัาธาอาทีนวะนิสรณะนะผลอุบายอนัตนอันนี้คือวิถถ้าพระพุทธเจ้าแสดงนะ แสดงอยู่ในหกอย่างนี่แหละทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าแสดงหกอย่างคําแสดงหกอย่างมีข้ออันะคำแต่ละคําก็เรียกว่าบทบทนั้นก็มีเป็นบทที่เป็นคําถามกับบทที่เป็นคําตอบเป็นปุจฉาวิสนะัชนาคําปุจฉาวิสัชนาทั้งหมดเนี่ยต้องสมควรกันต้องเข้ากันได้เนี่ยความสมควรเข้ากันได้ทั้งคําถามทั้งคําตอบนั้นอะ่ะถามตอบเรื่องอะไรก็ถามตอบเรื่อง อสาศธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอานัตและที่สําคัญนะจะต้องไม่ขัดแย้งกันเองที่ไม่ขัดแย้งกันเองทีนี้ความไม่ขัดแย้งกันเนี่ยเอาอะไรเป็นข้อยุติล่ะท่านจึงเรียงยุติหาระตามมาว่าเอาอัดกับเอาพยัญชนะเป็นเป็นข้อยุติทีนี้ถ้าอัฏฐะล่ะอัฏฐะก็ท่านบอกว่าให้จับลงในพระสูตรแสดงในพระวินัยใส่ไว้ใน ธรรมดาจับลงในสูตรคืออริยสัจเนียนะอันนี้เป็นข้อยุติเลยนะเข้าตามสูตรเราไหมที่เรียกว่าใครพูดธรรมะพูดธรรมะบอกเข้าตามสูตรเราไหมถ้าเข้าตามสูตรคืออริยสัจใช้ได้ก่อนนะข้อแรกข้อสองแสดงไว้ที่ไหนแสดงไว้ในวินัยเียนะอย่างกรณีที่ผู้การทงชัยสนทนากับคุณทรงพลเนี่ยนะอันนั้นแหละหาข้อยุติได้ ที่บอกว่าปฏิบัติอะไรบอกกาลังสมาทานสุจริตสามอยู่เตือนเช้ามาสมาทานสุจริญสาแสดงว่าลงในวินัยได้วินัยไหนวินัยคือกําจัดราคะกําจัดโทสะและกําจัดโมหะเพราะฉะนั้นคนที่สมาทานที่ปฏิบัติเพื่อกําจัดทุดจริตสาคือคนที่ปฏิบัติเพื่อสมาทานสุจริตสาขณะที่สมาทานสุจริตสามก็แสดงว่าต้องการกําจัด ทุจริตสาอะไรหนอะเป็นสมุดฐานให้เกิดทุดจริตสารทำไมนะความชั่วทางกายจึงมีความชั่วทางวาจาจึงมีความชั่วทางใจจึงมีบอกว่าราคะโทสะโมหะแลเป็นเหตุให้ความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความคิดชั่วทางใจเนี่ยเกิดขึ้นอะ น, นก็เพราะราคะโทสะและโมหะทีนี้ที่จะ กำจัดราคาโทสะและโมหะนั้นนได้ทําอย่างไรในเบื้องต้นก็สมาทานก่อนสมาทานที่จะประพฤติสุจริตเพราะการสมาทานประพฤติสุจริตนี่ถือว่าเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเห็นไหมเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศีลศีลก็คืออะไรก็คือความสุจริตทั้ง3ามประการศีล น, นี้กําจัดโทสะตัวศีลตรงๆเลยน ะ, ำ ะ, ก, ยะนกำจัดโทสะกายสุจริตวจีสุจริตเนี่ยมุ่งกําจัดโทสะ เอาถามว่าในขณะที่เราสมาทานกายสูจริตวจีสูจริตอยู่นี่มันกำจัดโทสะได้ยังไงไม่ได้มุ่งกำจัดโทสะตรงนั้นเลยหรอกแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุแห่งโทสะต่อไปเช่นถ้าเราด่าคนสักคนหนึ่งด้วยความสะใจเลยนะเรากลับบ้านกินอิ่มนอนหลับสบายเลยใช่ไหมถ้ามีจริยธรรมหน่อยนะมีศีลดีมีธรรมงามหน่อยเนะี่ยถ้าทาตัวเป็นอย่างนั้นเน่ะ ถามว่าคืนนั้นนอนหลับไหมไม่หลับแน่มีโยมคนหนึ่งที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมพอสมควรเข้าไปพูดให้คนอื่นไม่สบายใจอ่ะนะไอคนพูดนั่นแหละไปนอนไม่สบายใจกว่าคนนั้นอีกนั่นนะไอไตอนที่พูดให้เขาไม่สบายใจก็นับว่าไม่สบายใจพอสมควรหลังจากนั้นทั้งคืนเนี่ยเจริญอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะตัวเองโมแต่ไม่สบายใจน่นนะไปเดือดร้อนใจกับสิ่งที่ที่ทํามา เพราะฉะนั้นคำพูดใดที่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนใจในภายหลังคำพูดนั้นไม่ใช่ศีลพฤติกรรมใดที่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนใจในภายหลังสิ่งนั้นไม่ใช่ศีลฉั้นการปฏิบัติศีลก็คือการประพฤติเพื่อไม่ให้มีความลำบากกายลำบากใจโดยเฉพาะไม่เดือดร้อนใจในภายหลังอันนั่นแหละเป็นเป็นศีลมันข้อปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราจะหาข้อยุติง่าย สิ่งที่ปฏิบัติอยู่เพื่อกําจัดราคะกําจัดโทสะกําจัดโมหะไหม้อันนี้เป็นข้อยุติเนี่ยนะเป็นข้อยุติที่เรียกว่าสแสดงในวินยัยทีนี้ถ้ากําจัดราคะโทสะโมหะจุดประสงค์คืออะไรเอาธรรมดามาวัดดูเอาธรรมดาคืออะไรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ เป็นไปเพื่อสํารอกอวิชา น, นะโดยเฉพาะการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่สุดจริตสนะสุดจริตสาที่บริบูรณ์ย่อมยังอะไรให้บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงเจตให้บริบูรณ์โพชฌงเจตที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์อันวิชาและวิมุติที่บริบูรณ์นั่นแหละเป็นตัวสํารอกอวิชาเป็นตัวที่เข้าไปวิราฆาอาวิชา ถ้าวิชาดับอะไรดับสังขารดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายตนะภาษาเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชรามรณาโซกะปริเทวทุกโตมนัตและอุปาญาตก็ดับอั้นความดับไปแห่งวัตทุกข์ก็จะมีด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นข้อยุติธรรมดาธรรมดานั้นพยัญชนะเนี่ยนะจะใช้พยัญชนะ มากมายหลากหลายหรือย่อๆสั้นๆก็ได้แต่จุดประสงค์คืออันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อยุติเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงโดยเฉพาะแสดงอริยสัจเนี่ยนะใช้คําพูดที่ไม่มีประมาณเรียกว่าบทไม่มีประมาณอักขระเป็นต้นไม่มีประมาณเพื่อจะประกาศให้รู้ว่านี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรดนี้มักการรู้อริยสัจนั้นอนะ่ะเพื่ออะไรก็เพื่อกําจัด ราคะโทสะและโมหะผู้ที่กำจัดราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดคือผู้ที่ทำลายวัตตะได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเพราะทำลายศีรษะคือต้นเหตุแห่งวัตตะได้โดยเด็ดขาดเพราะการศึกษาพระธรรมเนี่ยจะต้องมีที่ยุติหรือมีข้อยุติถ้าไม่มีข้อยุตินะศึกษาไปศึกษามาก็เือเนี่ยนะ เฟือก็ก็มีหลายๆท่านก็บอกว่าเมื่อไรท่านจะพาปฏิบัติสักทีหนึ่งเดี๋ยวนะของมาสงสารตัวเองเลยโอ้ที่เราพูดนี่เขาไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยโอ้พูดจนตั้งนานอานะคือคือเขาไม่ผิดนะนะแต่ว่าเอี่ยเราพูดยังไงเนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยเนี่ยนะโอ้พูดจนจนเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็แหนักหนาสาหัสอยู่มากเหมือนกันพื้นพื้นฐานให้สําคัญนะว่า ถ้าจะพาปฏิบัติเลยนะเอา้าพาทำอริยาศาสตร์นี่จะทํำยังไงอ๋อทุกขสัจทุกคนก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องใครขาดแปลนทุกขสัตบ้างอไม่มีเนี่ย น, นแล้วถามว่าจะพาพาวิจัยทุกขสัตเนี่ยนะจะต้องนั่งดึงผมถอนถอนขนลอกเล็บถลกหนังเลยหรือเปล่าจริงๆจะเรื่อทําปริญญาในในทุกขสัจเนี่ยนะจะต้องทําขนาดนั้นไหมจะต้องไปเอบเสรกว่า ไม่รู้จักทุกเนี่ยจะต้องทําให้ร้องให้ก่อนใช่ไหมเออนี่มันทุกมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะทุกข์สัตย์ทุกคนเนี่ยไม่ได้ขาดตกบกพร่องไม่ได้ขาดแคลนเลยอ่นนะนะชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่เกิดไปหาตาเนี่ยนะไม่ได้ขาดแคลนเลยทีนี้ถ้าไม่ช้อยชัดในชีวิตภายในคนอื่นนะคนอื่นที่เกิดมาในโลกที่เป็นทุกเนี่ยมีมากไหมมีก็นั่นแหละไปก็ชีวิตของคนที่ทุกยากมันก็มีมากมายอยู่แล้ว เขาบอกว่าถ้าไม่เห็นชัดนะเขาบอกว่าถ้ามีบุญควรไปอินเดียไปดูทุกขสัตริย์ให้มันชัดชัดขึ้นบอกว่าจะเอาอีกกี่ชาติอย่างเงี้ยถามว่าอยากเกิดแบบนี้ไหมเนี่ยนะอยู่รัฐไหนดีล่ะเนี่ยนะหรือรัฐที่หารหรือรัฐอุตรประเทศเนี่ยนะทุกรัฐเหมือนกันหมดคือมีขอาทานเพราะฉะนั้นนั่นก็คือทุกขสัตริเพะฉะนั้นการปฏิบัติคืออะไรคือการเอาทุกขสัตริย์มาทํา ปริญญามาพิจารณามาเพื่อความรอบรู้ทีนี้จุดประสงค์ของการทำปริญญาเพื่ออะไรเพื่อละอวิปลาสในสิ่งนั้นนะเพื่อละอวิปลาสในในทุกขศัพท์ทั้งหลายซึ่งผลพวงของความวิปลาสในปางก่อนในชาติก่อนเป็นเหตุให้มีอุปาทานขันอันนี้ถ้ายังขืนวิปลาสแบบนี้อีก อัะนนะก็ต้องมีขันอย่างนี้อีกต่อไปท่านทำอย่างไรที่จะกำจัดวิปลาสได้ทีนี้ถ้ากำจัดวิปลาสจริงๆเนี่ยเป็นความดีไหมเราเราต้องถามใจเราดีนะว่างๆก็ถามดูอ่ะเออนี่ถ้าเราสิ้นวิปลาสโดยประการทั้งปวงเลยดีไหมดีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะก็ก็ถามใจนะเพราะว่ามันดีในแง่เหตุผลเหตุผลดีแต่ว่าใจไม่ค่อยยอมเนี่ยมีไหม ไม่ไม่ใช่น้อยเลยนะนั้นก็น้อมถามใจตัวเองดูนะคือทุกษัตริย์ควรกาหนดรู้ใช่ไหมถามว่าเราถามใจว่าเราจะต้องกำหนดรู้แค่ไหนสองเราจะต้องละวิ ป, ปลาสให้ได้เนี่ยต้องการละจริงหรือเปล่าสามถ้าละได้อะดีจริงไหมอะถ้าถ้าสามคำถามนี้ดีนะการเจริญที่เรียกว่าสุดจริตสามเป็นต้นจะไม่ใช่ปัญหาว่าจะต้องเจริญหรือไม่เจริญแน่สุดจริตสาม อันนะหนึ่งชีวิตหรืออุปาทานขันเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆไหมก่อนควรที่เราจะเข้าไปทำปริญญาเพื่อละวิปลาดไหมถ้าละวิปลาดได้จริ ง, รงๆเนี่ยเป็นความชอบธรรมจริงไหมอ น, นะถ้าทุกคนมีมีอัธยาศัยมีความตั้งใจอย่างนั้นอย่างถูกต้องแท้จริงข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนะแทบจะเรียกว่าไม่ต้องกระตุ้นก็ปฏิบัติสุเจริญสามเรียกว่า คุณอย่าประพฤติเลยนะสุจริตสามคุณจงฆ่าไก่เถอะถ้าฆ่าไก่ฉันจะให้เป็นจักรพรรดิถ้าแกไม่ฆ่าไก่ฉันจะฆ่าแก<ป>เขาทําไม่ได้พระโสดาบันทําได้ไหมพระโสดาบันฆ่าไก่ไม่ได้นั่นนะยอมให้ถูกฆ่าเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยเห็นคุณของการแทงตลอดอริยสัจเห็นโทษภัยของทุกขสั์อย่างเต็มที่เนั่นะนะพระโสดาบันจึง จึงตั้งมั่นอยู่ในองค์คุณคือการกำจัดราคะการกำจัดโทสะการกำจัดและโมหะโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ตำหนิเลยท่านจะไม่ตำหนิว่าข้อปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อกำจัดราคะไม่ดีข้อปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อกำจัดโทสะไม่ดีข้อปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อกำจัดโมหะไม่ดีโศดาบันจะไม่คิดแบบนั้นท่านบอกว่าดีอย่างเดียว ก็ถือว่าต้นเหตุต้นเค้าแห่งวัตทุทั้งมวลนั้นเกิดจากราคะโทสะและโมหะคุณธรรมที่จะ ก, กำจัดโทสะคืออะไรทวนอีกครั้งศีลกุศลศีลทั้งหลายกุศลธรรมเพื่อกำจัดราคะคือสมถะคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อกำจัดโมหะคือเวปัสนาเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อยุติในการ ศึกษาพระธรรมเราจะฟังธรรมที่ไหนฟังจากผู้ใดก็ตามผู้ใดแสดงก็ตามเขาจะอ้างพระพุทธเจ้าก็ตามอ้างพระสงฆ์ก็ตามอ้างพระเทระหลายรูปก็ตามอ้างอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งก็ตามถ้าเข้าในเงื่อนไขอันนี้ขอให้เงี่ยโสดลงฟังเถอะจะเป็นเด็กน้อยพูดก็ช่างจะเป็นผู้ใหญ่เถระรัตตันยูอายุมากขนาดไหนพูดก็ตามถ้าเข้าในหลักหัวข้อใหญ่ๆสาประการเนี่ย ให้เงี่ยโสดลงฟังเถอะนั่นเป็นพระธรรมนั่นเป็นพระธรรมแต่ถ้าไม่เข้าหลักการเหล่านี้เลยนั่นเป็นอาธรรมนั่นก็เป็นธรรมะเหมือนกันแต่ว่าเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นหากุศลเป็นธรรมที่มีโทษนั่นหัวข้อในยุติหาระเนี่ยนะเป็นเป็นกรอบเป็นตารางที่ดีเยี่ยม เป็นข้อเตือนใจสําหรับผู้ที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมเนี่ยนะนะถ้าไม่เป็นไปตามนี้นะใ ห, ให้พิจารณาตัวเองได้เลยซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วอยากอยากจะย้ําเป็นพิเศษเนี่ยนะนะว่าต้องการอยากย้ําจริงๆว่าการศึกษาพระไตรปิฎกการอ่านพระไตรปิฎกก็เหมือนกันนะอ่านเลยทุกบทเนี่ยมันบทนี้เป็นสัจจะข้อไหนเนี่ยนะบทนี้เป็นสัจจะอะไรบทนี้เป็นสัจจะอะไรบทนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสมุทยัยบทนี้เป็นนิโรหรือเป็นมร แล้วถ้าเป็นทุกสมุทัยนิโรธมักแล้วมันละราคะตรงไหนละโทสะตรงไหนละโมหะตรงไหนแล้วในคําทั้งหลายเหล่านี้เป็นปฏิจจสมุปบาทแบบอนุโลมหรือปฏิโลมอย่างไรเนี่ยนะอันเนี้ยที่เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทั้งหลายที่จะต้องเวลาอ่านพระไตรปิฎกหรือฟังที่เรียกว่าฟังธรรมเนี่ยจะต้องไปมองให้ออกถามว่าถ้ามองไม่ออกเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไม่เข้าใจพระธรรมอ น, นะคุณก็ไม่เข้าใจธรรมะที่จะทําให้ให้ออกจาก เระวัตทุกได้เพราะฉะนั้นหลักการอันนี้ถือว่าเป็นหลักการที่ดีเยี่ยมที่จะประคองประคองอะไรรู้ไหมประคองทิฏฐิประคองความรู้ความเข้าใจ้แปลตรงตรงศัพท์ก็เรียกว่าประคองความเห็นแต่ถ้าจะแปลตามอัตถาก็เรียกว่าประคองความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจของเราจะได้ไม่ห่างไกลาจากคาสอนของพระ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตะถาคตเนี่ยคือผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้ตรัสรู้ธรรมะที่ถ่องแท้เป็นต้นพระองค์เป็นพระ่าหัน์ไกลาจากกิเลสกําจัดข่าศึกคือกิเลสหัดซี่กรรมแห่งสังสารจักรเนี่ยนะเป็นท่าหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ละเจริญทำให้แจ้ง ทมทั้งปวงโดยประการทั้งปวงแล้วก็ผู้ที่จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะถ้าเราประมวลธรรมะตรงนี้ไม่ได้ให้เจริญกรุณาให้ตัวเองได้เลยถามว่าทำไมอย่างนั้นบอกว่าพระคุณไม่เข้าใจแม้แต่นิดเดียวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยพระองค์มาสอนอะไรเนี่ยนะอุปมาเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาสว่างเพื่อจะให้สัตว์เนี่ยมองเห็นใช่ไม มองเห็นถนนมองเห็นสูงเห็นต่ำเห็นดาเห็นเขาเป็นต้นเนี่ยถ้าเกิดมาตาบอดมองไม่เห็นแสงที่ดวงอาทิตย์ส่องให้ดูอะไรเลยเนี่ยโอ้โหคนน่าเห็นใจขนาดไหนการศึกษาพระธรรมก็ลักษณะเดียวกันถ้าไม่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจไม่เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสไม่เป็นไปเพื่อแทงตลอดปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมกรุณาตัวเองได้เลยอย่างที่ว่าไป ถามว่าทําไมเพราะว่าพระโสดาบันผู้แทงตลอดอริยสัต์เนี่ยนะชีวิตในวัฏฏะของท่านเหลือเจ็ดชาติเปรียบเหมือนน้ําทะเลมหาสมุทรหือดแห้งไปเหลือน้ำเจ็ดหยดเนี่ยนะหรือว่าวักน้ำเจ็ดหยดออกจากมหาสมุทรเนี่ยน้ำเจ็ดหยดกับน้ําทะเลมหาสมุทรไหนมากกว่ากันก็บอกว่าน้ำเจ็ดหยดเนี่ยนิดเดียวนะไม่รู้จะเอากี่พันล้านมหารชั้นใดก็ดีทุกขของปุตุชนที่ยังเป็นไปในวัฏฏะเนี่ย มากมายเหมือนน้ํามหาสมุทรทุกของพระโสดาบันเหลือเท่ากับน้ำเจดหยดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเพื่อแทงตลอดอริยสัจหรือการปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อตรัสรู้อริยสัจจึงเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่ฟังเรายังฟังไม่ออกแยกไม่ออกว่าตรงไหนเป็นสัจจะอะไรตรงไหนกําจัดกิเลสอะไรปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมเป็นอย่างไร ถ้าฟังไม่ออกนะ จ, จึงคําที่กล่าวว่าควรกรุณาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณทรงผลนะี่ามีอะไรที่ตั้งอัตตาสัมมาปณิที่เอาไว้ดีอยู่อีกข้อหนึ่งนะคือเขาบอกว่าเอามาอ่านหนังสือคำว่าอริยสัจเนี่ยนะนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอ๊ะทําไมเราไม่เห็นรู้เห็นเข้าใจเลยแางนั้นเนะ่ยอันนั้นเป็นตัวที่จุดประกายเข้ามากนี่ยนะเอ๊ะทําไมเราไม่ไม่คิดอะไรเป็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เอามา ควรเอามาเป็นโจทย์ถ้าคนที่คิดแบบนี้นะหวังได้เลยว่าเขาจะรู้อริยสัจเพราะเขามีศรัทธาในอริยสัจนะเขามีศรัทธาที่ใคร่รู้อริยสัจหวังได้เลยว่าเขาจากแทงตลอดอริยสัจคนที่ไม่บรรลุอริยสัจเพราะไม่เคยคิดจะรู้เลยว่ามันคืออะไรบอกยากเกินไปมัง้งเอาไว้ก่อนมัง้งยากบ้างลึกซึ้งบ้างนะเนะี่ยหาหาหาเงื่อนไขจนตัวเองไม่ต้อง ไม่ต้องรู้นะอยู่ให้มันฉลาดเท่าเดิมนั่นแหละอันนี้แหละคือเหตุผลที่เขาไม่ได้มีโอกาสบรรลุอริยสัจเพราะไม่มีอัธยาศัยที่จะรู้อริยสัจสมัยที่รู้จักผู้การตรงชัยครั้งแรกๆเนี่ยนะประเด็นคนเขาสนใจมากคืออริยสัจว่าโอ้ถ้าสนใจอริยสัจพอคุยกันได้อันนั้นก็เกียนหนังสือมาก็ประเด็นหลักหัวข้อใหญ่ก็อยู่ในโครงร่างของอริยสัจ เพราะฉะนั้นก็ขวนขวายในการเรียนรู้อริยสัจมามากๆอย่างคำที่เป็นสโลแกนที่คุยบ่อยๆมากว่าทําที่สุดแทงทุกด้วยปริญญาสามคำนี้ก็คือทากิจในทุกขสักนั่นเองเนี่ยนะก็อยู่ในประเด็นอริยสัจแม้แต่การสมาทานสุดจริตสามถามว่ายังอยู่ในอริยสัจไหมอยู่ในกลุ่มสายเพื่อมัคสัจนี่นะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญกุศลธรรมเพื่อ มัริย์เพราะฉะนั้นโครงสร้างใหญ่คืออริยสัจเนี่ยเราจะต้องจะต้องศึกษามองภาพให้ออกเนี่ยนะถ้ามองภาพออกการศึกษาพระธรรมทุกๆสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรู้อริยสัจข้อยุติในการฟังธรรมของพระองค์ก็ต้องเพื่อเพื่ออริยสัจพระองค์ประกาศอริยสัจเพราะถ้าเราจะรู้เราก็ต้องรู้อริยสัจสรุปเห็นผมเป็นอริยสัจยังไง อนะเกสาเกสาสมุทัยเกสานิโรธเกสานิโร ธ, โรธถ้ า, ามินีปฏิปทาเกสาเนี่ยนะคำคำพูดว่าเกสาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อละอะไรเพื่อละสุภวิปลาชเนี่ยนะถามว่าเมื่อพูดถึงคำว่าเกสาเราวิปลาชหรือไม่วิปลาชโอห่างจากอริยสัจขนาดไหนก็ดูเอาจากนั้นไปเนี่ยนะโลมาอ่าโลมา หน้าขาทันตาตาโจพวกนี้ก็เหมือนกันนะ ท, ทุกบทเราเอามาดูว่าเราใกล้อริยสัจแค่ไหนหรือห่างอริยสัจแค่ไหนก็เอาจากสิ่งเหล่านี้มาคิดนะเนี่ยยกแขนขึ้นมาเนี่ยเออนี่ทุกขสั์จริงหรือเปล่าถ้าทุกขสั์นะเงื่อนไขของทุกขสั์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะถามว่ายกแขนขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแขนเรานะ ไม่ใช่รอให้มันเน่าก่อนเออใช่อสุภะเออมันไม่ใช่ก็จริงจริงอ่ะนะอจริงๆอ่ะตอนนี้มันก็คือของเน่าเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าทำยังไงที่จะเห็นเป็นความจริงอย่างนั้นเข้าถามว่าถ้าเราเห็นตามเป็นจริงโดยที่ไม่มีวิปลาสถามว่าดีไหมนอย่างที่โยมถามว่าเออนั่งแล้วเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกไปหมดเลยเนี่ยนะดีไหมมันดีหรือไม่ดีล่ะถ้าเราเห็นว่าโอ้โหเนี่ยภายในทั้งหมดนะ เป็นศูนย์รวมของอสุภะอะไรก็ตามเถอะขอให้มันหลุดจากกายในะสิ่งนั้นอสุภะหมดนะเนีเราคิดไหมว่าเออที่เนี่ยคือแหล่งรวมของอสุภะทั้งหลายที่มาประชุมกันผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นนะ่ยนะนั้นแบ่งตับให้ใครไม่ค่อยมียกเอาง่ายๆหรอกนั้นก็ศูนย์รวมแห่งอสุภะถ้าเห็นว่าเป็นอสุภะแล้วนะราคะลดลงน่ยดีไหมเห็นไหมถ้าเราไม่มี ไม่อาศัยสิ่งนี้แล้วโทสะไม่เกิดเลยอ่ะนะไม่อาศัยให้โทสะเกิดเลยนะี่ดีไหมแล้วเราแทงตลอดความจริงวันนี้คือทุกนะนี้คือเหตุแห่งทุกขคือความวิปลาดนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกขถ้าการรอบรู้กองทุกขกําจัดฉันทราคะในในทุกขเหล่านี้ได้แล้ววิปลาดในกองทุกได้นี้แหละเป็นนิโรสัจจะสาประการนี้ฉันจะต้องปฏิบัติให้ได้นะอันนั่นเป็น มักขสัตว์เพราะมักขสัตว์นี้เ่ปล่อยวันปล่อยคืนแล้วมันจะเกิดเองหรือเปล่าราให้มันเกิดเองเกิดไหมไม่เกิดเราไอท้ที่เราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วมันเกิดเองนะแกเป็นเกิดเป็นธรรมดาอันนี้เกิดเองแกก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาอีกนั่นแหละตายยิ่งธรรมดาใหญ่เลยเพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีอันนี้ธรรมดาเนี่ยนะถ้าวิปลาส โอ้นี่ชำนาญแล้วฝึกมาเป็นกับๆแล้วนะหลายอสงไขยมากแล้วนะเบื้องต้นแห่งวะตะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นมองอะไรสวยทันทีนะนะมองอะไรก็โกรธทันทีถ้ามันไม่เป็นอย่างใจเราต้องการทุกอย่างไม่เคยเอามาทำปริญญาเหมือนเดิมหมดอันนี้เป็นสมุไทไยที่ที่ชำนาญอย่างมากเลยมีไม่กี่คนนักที่ต้องการออกจากสิ่งเหล่านี้ว่าตรงๆนะ สัตว์ที่มีศรัทธาจะออกจากสิ่งเหล่านี้จริงๆเนี่ยน้อยนักก็บอกว่าในหมู่มนุษย์ชนที่ถึงฝั่งเนี่ยมีน้อยนักคือฝั่งคือพระนิพพานเนี่ยมีน้อยนักหมู่สัตว์ย่อมเลาะไปตามส ก, กายะเหล่านี้นี่เองของเราทั้งหลายอย่างที่เคยพูดบ่อยๆว่ามีใครคิดว่าเออเนี่ยเห็นว่านี้ทุกทํำยังไงนะจะหลีกออกจากทุกขให้ได้นี้สัมมูไถ่ทายังไงจะหลีกออกจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้ หลีกออกจากสิ่งนี้แล้วไม่ถือเอาสิ่งอันใหม่เนี่ยนะอันนั้นเป็นความสุขเป็นอย่างยิ่งนะก็ผู้ที่มีอัธยาศัยอย่างนี้ในโลกนีมมกนนน้มีไม่มากนะมีไม่มากเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาจึงไม่ดำรงอยู่ยืนนานที่ไม่ยืนนานเพราะว่าเขาไม่ต้องการออกจากจากทุกเมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่ยินดีที่จะออกจากทุก ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์สัตว์ทั้งหลายก็เลยไม่ต้องการเนี่ยนะไม่ต้องการเพราะนัพุทธศาสนาก็เสื่อมด้วยประการชนีแลนะ